แก้ปัญหาก็แจ้ปัญหาที่กายเหมือนกันแจ้ปัญหาที่จิตใจเหมือนกันมีสติเหมือนกันมีความหลงเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนน่เวลาเราหลงเรามีความรู้ไหมอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้จึงอยากจะชวนให้มาดูมาทําเรื่องนี้ <c oughs> อยากบอกอยากชวนให้ดู ไปใช่สอนจนให้มาดูอยากมีสถานที่แบบนี้อยากนั่งอยา่างนี้อยากให้คนมาดูอันนี้อยากให้คนมีที่อยู่มีอาหารจีนไม่เปิดเครื่องเงินไปไม่พุ่มเป่วยเกินไปตอนเจ้าตอนเย็นอยากมานั่งตรง น, นี้อยากให้คนมา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 วิธีการดูอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความรู้เป็นการกระทำ <c oughs> เป็นการกระทาเมื่อเราฝึกหัดนาฏศิลป์ฝึกหัดศิลปกรรมฝึกหัเดเล่นดนตรีต้องมีการกระทาไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาหลวงพ่อหลวงตาเป็นนัก ได้โดนตรีอเอาแขนสีรษะแต่ว่าเวลามีโนดอ่ะไม่ใช่เป็นท่องเป็นโนดเฉยๆเราโดนซนเราชนละมีไอ้ท่องได้กับปากต้องเอามือแสดงไปด้วยอนมาอยู่ตรงไหนมือคำไปจากอันที่เราปอบันดังขึ้นเรามือคำไป ไปถึงสอนสนมีอะไรกับมือมันคำไปมือไปเต้นไปตามโน้ตหัดจัางนี้แล้วว่าฝึกหัดมันจะจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีโนตในหัวใจเราแล้วก็แสดงของทางกายทางนิ้วมือที่มันโดดไปเต้นไป อัดใหม่ๆก็้ำไป้ำหาว่าอยู่ตรงไหนโน่ลาโดลาจอนมาอยู่ตรงไหนซอนมีจอนลาไอยู่ตรงไหนก็มือก็เต้นไปมันเต้นไปถูกโน้ตบ ม, มันก็ดังดังมันก็มีโน้ตบันทึเต้นไปยังไงตามโน้ตของเพลงต่างๆมันก็เป็นไปเลย ต่อไปเมื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องไปคำหามันโดดไปเองมือมันไปเองแล้วก็เป็นเสียงออกมาจากที่มือมันทำไปมันเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ลืมไปสีซอที่ตรงไหนก็อันเดียวไปปลอกแขนที่ตรงไหนก่อนเดียวเหมือนเรามีสติเนี่ยเรามี สติมันมีโนต้ตคือความรู้สึกความเลือกได้สติความเลือกได้สำปัญญะความรู้ตัวเลือกได้แบบไหนไม่ใช่ความคิดก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดแล้วเลือกได้ไหมเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดอยู่รู้สึกตัวไหมเรามหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดให้เราได้เราต้องหัดตัวเองจึงมีแบบนี้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 ที่ไม่ตั้งใจที่ได้ตั้งใจก่อนคิดตั้งใจไว้ไม่เป็นไรแต่บางทีมันคิดไม่ได้ตั้งใจมันลักคิดไปเองก็รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวและแล้วเลือกได้ตอนนั้นใช้ความคิดตัวเองใช้กายตัวเองใช้ใจตัวเองใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้จิตอย่าให้มันใช่เรา มันจะเป็นประโยชน์ถ้ามันใช่เรามันก็เป็นโทษบางอย่างนะมันเป็นโทษมันก็ติดได้ใช่ผิดมันก็ติดความผิดใช่ถูกมันก็ติดความถูกอันใจเนี่ยเช่นเป็นนิสัยโทสะจลิตมันใช่ใจมันโกรธคลายเกินไปออกหน้าออกตาโมหะจลิตมันใช่หลงเอาความหลง ความหลงไปเจ้าบ้านเจ้าเรือนออกหน้าออกตาหลังค่าจลิตเกิดความไม่เกิดความหิวก็หายในรูปรสจินเสียงเกิดไปไม่รู้จะอิม่มแต่ท้องมันอิม่มแต่ตาหูจมูกเล่นกายมันไม่อิ่มบางทีมันหิวก็วต้อง ก็ต้องดูวันอย่าให้มันออกตั้งออกตาเกินไปแล้วจังหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่เราเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองถ้าไปหัดจากนี้มาไม่เห็นหนักม็เห็นกายแล้วก็เป็นธรรมชาติไปสติมันก็มีอยู่ไม่ว่ามนุษย์คนเราหรือสัติเดชานมันมีเหมือนกันสติ สติแบบนั้นไปตามไปตามหลังเขาไปหลังไปตามหลังของรูปของรถของกลิ่นของเสียงของความโลภความโกรธความหลงใช้ความโกรธได้สําเร็จใช้ความหลงได้สําเร็จตามความชั่วได้สําเร็จเพราะมันสติไปตามมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปฏิบัติมันใช่ขับไม่ใช่ดู เหมือนไก่เนี่ยตอนตายอยู่กับไก่ใช่ไหมก่อนนู้นอยู่สชล่าไก่ก็ดูแลบางทีไก่น้อยลูกเีกยบแม่มันขึ้นต้นไม้แต่ลูกมันตัวเล็กบินไม่เป็นมันก็ล้องอยู่ข้างล่างแม่มันก็เรียกอยู่กุกกุ๊กุอยู่ต้นไม้นอนลูกมันก็ลองอยู่ แม่ก็บินลงมามาเรียกลูกแม่ก็บินขึ้นไปอีกเวลามันบินอ่ะแม่มันบินตรงขึ้นไปมันบินได้แต่ไก่เยียบมันบินไม่ได้มันก็วางแผ่นบินอ่ะมันไปยังไงวางแผ่นอ่ะมันก็มองไปเออมาต้นขนที่ใต่ไปต้นนั่นไตมาต้นนี่แต่อยากที่ไม่ต้องบินเลยกระโดดไปตามเถาตามเถาวันตามไรมาไต่มาไต่มาจนถึงอกแพ่ มันก็มีแผนเหมือนกันอนนต์แม่ไก่มันเป็นทางมาชา้าของเขามันก็มีสติเหมือนกันมันวางแผนเป็นวางแผนจะขึ้นไปหาแม่มันยอดไม้นอนแต่มันบินขึ้นเหมือนแม่มันไม่ได้มันก็ไปไปที่โน่นไกลๆก็ค่อยไต่มาไต่มาเขาก็มีสติเหมือนกันบางที พระพุทเจ้ายังสอนพระให้เอาเยี่ยงปวงบ้างเวลาจะเดินไปไหนมาไหนมันดูหน้าดูหลังพระพุทธเจ้าอยู่กับป่าอย่าเนาอก็อิสิปตนามลึกษายาวันเป็นป่ากวางแต่ที่ปลดปล่อยของสัตว์ทุกเพศให้สอนพระสม์ให้เอาเยี่ยงอย่างกวงป่าเวลามันไปไหนมาไหนอย่าลูกด้ลูกลน หรือไก่จ่าไก่โจกคุณเจ้าก็ให้ออกแบบไก่ไก่จ่าจ่าออกแบบไก่โจกรู้จักไหมไก่จ่าเป็นยังไงไก่โจกเป็นยังไงไไก่ไก่จ่าเป็นหัวหน้ามักจะมีหางแจมสีขาวย้อยลงสองข้าง แล้วไก่จ่าไก่โจ๊กยังไม่มีหางอันขาวๆย่อยลงสงข้างเรียกว่าไก่โจ๊กไก่โจ๊กไปทางไหนมันวิ่งโต๊ะ ต, ต, ต๊ไปเลยถูกบ่วงถูกแล้วของนายผ่านถ้าไก่จ่ามันไม่ไปแบบนั้นมันไปทางไหนมันจะรู้มันไม่วิ่งไปตรงๆมันอ้อมไปตรงที่มันปลอดไปไม่ไม่ไปเหยียบตรงที่มัน เตียนเตีย น, นมันเหยียบจิงบ้าจะอะไรไปทำรองนั้นมันก็ไม่ค่อยถูกบ่วงแต่เม่ก่อนนี่ยันก็จะรันอยากได้ไก่ป่าทีน่นี่ก็บอกให้ไปไปเอาไปดักเอาก็หวานเข้าเราเอาบ่วงขึงไว้เวลามาจิงเข้ามันจะมาเหยียบเนี่ยจะได้เดึงเกาให้ติดขามันไก่าจานี่มันก็ดู ดูลุงพ่อจริญเอาบ่วงไปวางไว้บางก็ดบมันก็เรียกโจกโจกโจกโจบอกลูกไก่ไก่โจกทั้งหลายอย่านะอย่านะไก่ว่าอย่างนั้นเนาะแต่ไก่โจกน่ะุกชนเงินไปวิ่งจากจีนไปไปติดบ่วงหลวงพ่อจริญไปหลายตัวเียกว่อากาลิโจนมีไก่ทุกวันนี้ เขาเจ้าเปรียบเทียบจะทำอะไรต้องรู้เสกก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดลำหัดตรงนี้กันแล้วหัดยังไงล่ะวิธีหัดก็อย่างนี้กายานุปจนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายกายที่ต้องเห็นแบบไหนมันก็เห็นกันอยู่ก็ไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นแบบเจตนาที่จะให้รู้ มีเจตนาด้วยมีการกระทาด้วยสแสดงออกด้วยเคลื่อนไหวมืเอเห็นไหมเห็นกายโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตาไปดูสองกระจกเอาอะไกระจกเอาในน้ําไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นก็ดูเพื่อตรวจการหน้าตาก็เราเครื่องนุ่งเครื่องหงมของเราอให้มันดีมันเรียบร้อยแต่ดูอันเนี้ย ดูสติดูกายอ่ะไม่ใช่ดูแบบนั้นแต่มันก็ควบคุมไปได้นะเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเป็นเชือกต่อเนื่องยาวมันยาวยาวมันต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสั่งสอนว่าให้มีสติต่อเนื่อง เอาเนื่อไงอ่ะมันหลงอยู่เลยมันขาดเลยไม่ใช่ขาดราวาที่หลงอ่ะมันต่อดีที่สุดเลยไม่ใช่มันขาดไปราวาที่สุขที่ทุกข์มันต่อดีจริงๆตองนั้นมันต่อตรงนั้น้วยมันหลงก็เห็นมนเนี่ยรู้เชตัวว่ามันหลงอ่ะไม่เสียนะบางทีเราไม่เข้าใจเวลามันหลงถือว่าผิดยัยผิดเหรอไม่ผิดนะมันรู้นะ ขยันใชยด้วยอยากให้มันหลงจะได้รู้หน้าโลตา อ, อยากให้มันฉุกมันทุกจะรู้มันหลงไปทางใดจะได้รู้มันรอบรอบรูบ้รอบรอบสติเป็นหน้าลโลกเฮย้ยแบบอย่างเนี้่ยต้องมหัศถ้ามาหัศถมันไม่เป็นละนะ่ะมาใช่ไปท่องจํำเอาหลุนตาเคยเรียนตั้งแต่นักทำตั้งแต่เป็นนักสําเนินนุ่น เมื่อกูวาเป็นในบัญหติดองสดแต่อย่างนี้เฉจีกรณีจิตจีท่องได้หมดเลยหลังเสือนเ่ากูวาเล่มหนึ่งจําได้กับปากหมดเลยไม่รู้เลยเลย้ามีอุปการะมากสองอย่างสติคือความเลือกได้สามัญจะคือความรู้ตัวทำมันทำไม่งามสองอย่างขันติวนความอดทนสุรจาวความใจย็นบุคคลฐานแยากสองอย่าง บ, บุปผกาลีบุคคลผู้รูปภาระก่ะนอนก็ตัญญูแต่เวทีบุคคลผู้รูปกาละที่ท่ทานทำแล้วจับแผ่น ท่องได้หมดเลยแต่ว่าไม่รู้โกรธทุกซุ่งผิดเลยเป็นเจ้าทุกเจ้าโกรธเป็นคนที่ตุกเคี้ยตั้งแต่ที่เรียนนั่งทำมาอย่างดีได้ใบประกาศถ้อยไว้ฝาอย่างดีมันไม่ใช่โอ้หลวงพ่อเทียนมาบอกให้เนี่ยเพื่อนไว้เมืินโอ้รู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยโอ้จิติญญาณเยิึกได้อย่างนี้ไม่ใช่ท่องเอากับปาก การมาเจริญสติไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้เหตุใช่ผลนันเดลให้มีการกระทําอย่างเดียวเข้าไปถ้าเอาหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกต้องต้องเอาคําตอบจากการกระทำํำนี่เรารููอย่างนี้มือระวังนี่เห็นอย่างนี้พลิกมือลู่อย่างนี้ยกอย่างนี้ไม่มีคําถามอย่างนีน้มีแต่คำตอบเองไม่มีคําถามใครคนอื่นตอบผ่านไม่ได้ เราหลงเราก็ตอบเองไม่มีใครรู้เราหลงเราหลงเราก็หลงเองแล้ว เ, เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เราก็เปลี่ยนเราเองแล้วมันทําได้ไหมอย่างนี้มันทําได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทำไม่ได้มันทําได้ทำได้จริงๆอะ่ะปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการใช่ไหมนี่คือวิทยาศาสตร์ที่ที่สูตรได้ อย่างที่เราตวจสว่สวาค่ะโตภูตธรรมโง่พระธรรมอันพระโพธมีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วที่จิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษปาปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเอ้ปฏิกโก้จะไม่ไดน้อมม า, โ อ, โ, อมม า, อาโอ้ปฏิโกต้องมาเอปฏิโก้ชวนมาดูมาดูมา ด, มมดูเห็นไหมจิตใจมันคิดเห็นไหมความคิดมีไหมตั้งใจมีไหม ความคิดสร้างใจมีไหมต่างกันไหมเห็นทุกหรือว่าเป็นผู้ทุกถ้าเห็นทุกต่างกันกับการเป็นผู้ทุกไหมมันโกรธเห็นมันโกรธหรือว่าเป็นผู้โกรธต่างกันไหมสภาวะที่รู้กับสบภาวะกับสภาวะที่หลงต่างกันไหมนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากและบทเรียนอย่างนี้มีห้องเรียนที่ไดมีใครเป็นคนสอน ไม่มีเลยมีเดียเราสอนตัวเราถ้าเราสอนตัวเราอย่างนี้มันก็เหมาะเจรการงานเพราะเราไปใช่กายใช่ใจทํางานทําการเกี่ยวกับเกี่ยงต่างๆในโลกทั้งหมดเลยถ้าเราไม่รู้อย่างนี้มัน ก, ก็จะเกิดปัญหาทำงานทําความดีก็เป็นทุกข์มีเหมือนกันทุกขพรความดีปวดบ้านเป็นความดีไหม มีทุกไหมขวดบ้านนะก้านทวดลังชามถือว่าทุกไหมไม่ใช่ทุกนทุกเป็นความดีบางทีเราขวดบ้านบนไปไม่ไม่ไม่ช่วยกันเพราะด้านทำห้ลกลงหลังบัานไม่ใช่แบบนั้นวขวดบ้านกว่าดีแล้วมีสติได้ไหมมีได้เขียนหนังสือดีไหมดีมีสติได้ไหมมีได้ ทำงานทำงานนีอะไรทั้งอย่างทำอะไรหมดพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไปนอนอยู่ไปทำงานเหมาะแจกกางงานยิ่งเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นพ่อค้าเป็นหน้าที่ของเราเป็นสามีพันยาเป็นครูเป็นอาจารย์ดีที่สุดเลยนะจะได้จะได้มีหลักแหล่งจริงๆเพราะเราจรึงมาทำตรง น, นี้กันแล้วหลงเราลูก ถ้าตัวหลงมันมากแล้วก็มันก็มีปัญหามากถ้าตัวรูปมันมากก็หมดปัญหาไปการมีตัวรูปไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่หลงลัอะลรได้ไหมเวลารูปมันหลงไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้เองได้อะไรได้ความรู้มันไม่ีประโยชน์อะไรมันก็ไม่หลงอ่ะ จะอะไรอีกล่ะจะได้แอะไรฮะก็ยมำนะเดี๋ยวนี้ตัวหลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวลูกได้ไหมก็เปลี่ยนได้ทันทีแหละแค่มันอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนได้ที่สุดเลยยอดเยี่ยมเป็นศิละปะเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนกันให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนให้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนจะนอนไม่หลับ ตอนทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดก็มีเหมือนกันภาษาอะไรความคิดเจยๆมันมาได้ฉี่ช่างฉี่มามาเราไม่สติอันเดียวก็พอแล้วรู้สึกตัวปั๊บเพราะเราพูกขัดถ้ามันไม่ทันมันเกิดมาก่อนเราก็เจ้ได้ถ้ามันปึกดีแล้วมันไม่ต้องมีเลยปัญหาอันเกิดกับใจ นี่จะเป็นประโยชน์เอาใจไปเป็นหลักพึ่งใจได้เดี๋ยวนี้เราพึ่งใจไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกคุ้มร้อยคุ้มดีฟูฟูแฟบแหมกหุ่นคุนคิดหลอยไปเหมือนน้ำต่ำลงไปเรื่อยเืยสิ้นหมดพลังงานของชีวิตจิตใจคิดมากก็น้าเตอหนด้าเหลืองไป ไปเป็นโลกประสาทไปไม่ถนอมพลังงานของตนเองเงือไปกับความคิดแยะๆคนเรานะอะไรหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกเสมอไปไมันก็ต้องมีการกระทำคิดแล้วทำอย่ากลุ้นตาพอกว่าอยากมีที่แบบนี้คิดอยากมานั่งพูดอย่างนี้อยากมาบอกอย่างนี้อยากให้คนมาอย่างนี้ เป็ความคิดอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเราจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นไปได้สําเร็จถ้าเราทําอะไรที่เป็นโทษมันก็ทําได้สําเร็จเราจะใช่านชีวิตของเรามือห้านิ้วเสีบนิ้วของเราจะพ่อเป็นประโยชน์ต่อโลกได้ไหมต่อมนุษย์ได้ไหมต่อสัตว์ป่าเจงได้ไหมไม่ต้องไปสร้างโทษช่างบันดาต่อกัน นับหนึ่งจากตัวเราเนี่ยนี่แหละต้นตอของชีวิตจริงๆที่ได้ชีวิตอยู่กับโลกถ้าหลงมันไม่ใช่ชีวิตเราดอกความรู้สึกตัวเป็นชีวิตเราจริงๆตัวหลงไม่ใช่ชีวิตเราถูกมานะไปแล้วนี่วิธีที่จะเดินทางไปสู่ความไม่เกิดไม่เจ็ไม่เหยียบไม่ตายคือภาวะที่รู้นี่เอง ภาวะที่รู้นี่ไม่ใช่ความรู้เดี๋ยวนี้ถ้ามันจเจริญงองามเป็นญาณเป็นฌานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปไม่ใช่เป็นการท่องเอามันสร้างสิ่งแว้ล้อมขึ้นหลายอย่างเรารู้สึกตัวนี่เราทำบาปไหมเรารู้สึกตัวเราทำดีไหมเรารู้สึกตัวเราผิดศีนไหม เรารู้สึกตัวในจิตเราพวกแวกก้นกแช่นกอเดียนไหมเป็นสมาธิไหมเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลแล้วความชั่วเรารู้สึกตัวก็เป็นสมาธิเป็นศีลทำความดีเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีได้เนี่เครื่องมือของเราที่เรามาทำความดี ความหลบความดีต้องตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ไม่หมดไม่จรินเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นต้องเป็นสมบัติของมนุษย์เราไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงโกจนตายทุกจนตายเราดาพูดว่าควาจะมีความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายควาจะมีความโกรธเป็นขั้งสุดท้ายได้แน่นอน มั่นหัดได้หรือว่าสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์เราเน่ยถ้านหัดตรงนี้ไม่คุ้มค่าล่ะเตืนแต่ดึกศึกแต่หนุ่มดีที่สุดชีวิตของเราบังอกหมดไปอย่างล้งตาก็หมดไปแล่ะเล่นก็แฉงหูลก็โดด ว, วันเรียกวันแรงหนุ่มน้อยแล้วความหนุ่มเหลือน้อยแล้วใชยการไม่ได้แล้วแต่ว่า ไม่เสียเปียบชีวิตกอบกู้ชีวิตตั้งแต่ยี่สิบสามสี่ปีก็ถือว่าถือว่าไม่เสียชั้นละ่ะนะไม่เสียค่าลำลองพ่อแม่เลี้ยงมาแม่พ่อมีลูกอย่างนี้จะไม่ต้องให้พ่อให้แม่เดือดร้อนเพราะกายใจนี่ได้มาจากพ่อจากแม่ไม่เอากายเอาใจไปทำชั่วเดอดขาดเอากายเอาใจไปทำดี เอากา ใ, ใจไปทําดีเพราะฉะนั้นเราต้องงั่นใจตรงนี้กันมาสร้างฐานตรงนี้กันเป็นฐานชีวิตของเราเป็นเก่นแท้ของชีวิตเราอย่ามีมอกในกับพี่คอยที่จะวันไหวไม่ต้องวันไหวอ้ไรเลยมั่นคงชีวิตเราถ้าเราโฟกัส ด, ด, ดีๆเนี่ยก็ต้อง มาประกอบสติมันจะเกิดก็เพระการประกอบมันไ่ใช่ไปท่องประจมเอาประกอบคือยังไงเหมือนรถโยนมันเป็นชิ้นส่วนประกอบมันเป็นคันรถวิ่งได้สติมันจะมีแล้วประกอบึ้นมามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ไม่มาประกอบยืนจำลาหนอนอยู่ในสมองนนไม่ได้รู้สึกกายเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัว เวลามันชิดไปรู้สึกตัวเวลามันสุกรู้สึกตัวเวลามันทุกรู้สึกตัวอะไรก็ามเอาตัวรูปไปเกี่ยวข้องเป็นตัวเฉลยทั้งหมดเลยในการใาใจเราเนี่ยจนรูหมดรูครบรูท่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมากมานอะเกินแปดเบนสี่พันเรื่องกายอย่างเดียวใจอย่างเดียว กลุ่มของความดีก็มีกลุ่มของทำความชั่วก็มีกลุ่มของบาปก็มีกลุ่มของบุญกุศลก็มีมรรคผลในผนก็มีสุดยอดที่สุดคือมรรคผลในผนหมดแล้วจบแล้วชีวิตจบกันเลยเอาละสั่งพระเจ้าอ่ะชาติเสร็จแล้วความบังอยู่จบแล้วกิจอื่นที่ทําไม่มีอีกแล้วสนุกทํางานแล้วนะ สนุกทำงานนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันสนุกทำงานนะหมดชาติเิ้นแล้วพรามจรรย์อยู่จบแล้วเนี่ยมันสนุกทำงานทำการเหมือนอาจารย์พุทธานนะทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ฉันไม่ใช่นอนนะมานอนไม่เป็นหรอกถ้านอนก็นอน อตามธรรมชาติของสัตพวพ์ทั้งหลายให้ชี้ขี้เกียดที่ข้านเอาานสร้างอันนี้พวกเรามาสร้างสติโยจะวชิตังเวกุสิโตหีวีริโยเอกหังชีตังเสยโยอุโบโตพยับป ย, ยัง จำอะไรหลวงพ่อเตียนพูดดีดีผู้มีสติมีความเพียรมั่นคงมีชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีไม่มีสติไม่มีความเพียรร้อยปีมาประเสริฐเลยจากเราสวดบทพิเศษพระสูตรเมื่อกี้นี้มีสติเป็นปัจจุบันนันจะยุติธรรมมังตะตะตะเป็นปัจจุติ ผู้มีสติแม่เพียงละตีเดียวก็น่าชมแม่เพียงละตีเดียวก็น่าชมต้องมีเอาเองแต่ไม่ครั้งพุทธการก็มาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนพระชงอย่างนี้พระชงก็รู้อย่างนี้ไปหาเองไปตอบเองเป็นคำตอบออกมาเองอย่างคาถาของพระปัออจจชิ ปาคาถาของพระองค์พิมานเขาก็คิดกันมาเองเขาได้เองได้จากของเขาเองอาจคิอุปติจะไปถามเมื่อท่านรู้อะไรท่านจึงมีเกียมริาะงามขนาดนี้อาจชิก็บอกว่าเราบวชใหม่ บังพูดอะไรไปบ้าได้มากพูดแต่น้อยก็ได้ไม่ต้องหากักอาชีก็บอกว่าเรารู้ว่าเยธมังปฏิเจ้าอจริงต่างๆเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุพระจาจาราสอนอย่างนี้เป็นครูของเรา อ๋อปติจจฟังเท่านี้ค่าทาอจฉิทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับก็ที่เหตุอุปติจจได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีคาทาอจฉิปติจจะคือารีบทเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมถืออจฉินี่ไว้บนศีสันจะมาเวลานอนเนี่ย อ า, อาจารย์บะอาจารย์ชิอยู่ทางที่ใดอุปติจะสารีบุตรหันหัวไปทางนั้นต้นตายเขารบคำคาถาเท่านี้ทำห้เกิดบรรลุธทรได้องคุลิมันก็หามาเองประสบการณ์ก็บอกว่าโยจะบุเพประมาชิดว่าประชาโนัประมาชติโสมังโลกังปปาชติอปปุทโวจันททมาเทคอนี้เราประมาท ภายหลังไม่ประมาทเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมกแล้วฉลันออกมาจากสมององค์ดิบาลก็ใช้ได้สำหรับองค์พริมานแต่ก่อนองค์พระเิมานฆ่าคนไม่มีใครมาบอกมาสอนเหมือนพระจันทร์ที่เมกบังบดไม่เห็นบัดนี้พระจันทร์พ้จนพจากเมกแล้วละทำบาปทำกรรมแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆเป็นขององคดิมาลที่ ที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจของคนมารทิชุดนี้พระสงฆ์หลายลูกในอนุพุทธประวัติออกมาจต่รูปนี่สวยงามที่สุดเลยเอยตตคะต่างๆกันไปพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้า <c oughs> อย่างน้อยก็เราก็ต้องอเอาละตัวลูกตัวหลงเนะี่ยเห็นหน้ามันแล้ว มันหลงตีไรเยี่ยมมันเห็นงูเหมเราเห็นงูนี่โอ้ยปลอดภัยแล้วมันโกรธโอ้ยเห็นปลอดภัยแล้วมันทุกข์โอ้ยเห็นแล้วเห็นงูเหมือนหลวงพ่เทียนบอกว่าสติเหมือนแมวความเรกคิดเหมือนหนูใช่ได้ไหม แม่นแมวมันทำอะไรกับหนูมันจับหนูใช่ไหมมันกลัวหนูหรือแมวอะอะไรกลัวแมวอะหนูกลัวสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูหลวงพ่อเตียนพูดเออเราก็พูดกับนลวงพ่อเตีย น, นเหมือนกันสติเหมือนช้างกิเลสเหมือนหมาเออใชได้เหมือนกัน อะไรกีเลสน่ะมันจะยิ่งใหญ่หรือความหลงเฉยมันมีปืนผาหน้าไม่เลยแต่ว่าเราไม่รู้มันก็ใหญ่นะความหลงเนี่ยผาไปฆ่าไปตีไปดุไปด่ปดาทำบาบทากลรได้ บ, บังคับกับใสเราไากินเหล้ามอยาฮะกิเลสมันมาตัวหนึ่งง่ายไหม เ, เคยเห็นหมาห่าช่างไหม เราช่างเดินผ่านหมู่บ้านน่ะหมาเห่าไหมช่างมาบรรยาย ไ, ไหมโอ้อยางงั้นจีเรามีสตินะ่ะเหมือนช่างเลยขี่ไปในหมว่านค้างอะไต่างๆผ่านไปแต่ก่อนทีนี่ก็มีช่างนะใสตัวมันมาจิงเข้าที่เนี่ยที่ร้านเห็นโกงนะ่ะเรายิงมันมันเลยหนีไป ช่งเขาช่วยกันเป็นได้ตัวยาอากอกกรออกจากป่าเนี่ยตรงเก็บบาจิกาเนี่ยออกมากินข้าวเขาแล้วก็ที่บาจิกาเนี่ยข้าวเขาปลูกไว้เนี่ยตัวยาออก่อนโงเลเราเจ้าหน่อยได้ไหมแต <laughs> ่ว่าก็สู้คนมาไดนะ้ช่างสู้ปืนมาไดนะ้แต่มาไม่สู้เะไเนาะอะเราดีขนาดไหนถ้า นั่งไปกี่มอไซค์ไปเขาระเบิดบางๆมาบางต่ายเขาตายากันก็ได้มันสู้ระเบิดมาได้เราเลยแต่สู้ควบขวดได้เด็ดขาดเลย<ๆ>เขายิงตัวที่สองตัวที่สอง อ, อกตามหลังไปมันมีงาเขายิงใส่ตัวที่สองตัวที่สองก็ล่มลงนั่งลงไม่ใช่ร่มแต่รั้งคนจะเบาลงขาหลังอ่อนลงขางหน้ายังขํามินอยู่ ช่างตัวใหญ่ก็วิ่งใส่คนคนก็ไม่ต้นกระแบกใหญ่อยู่ต้นที่จอมปวกที่มีถังน้ำเน่ยคนก็วิ่งหลบเข้าต้นกระแบกช่างมันเอาคนไม่ได้ก็กลับมามาเอางวงเนี่ยยกก้นช่างตัวมันล้มลงยกขึ้นใช่ไหมเอางวงสอดเข้างามขามาแล้วเขาก็ายกขึ้นมาก็ยืนขึ้น นายพันเขาเล่าให้ฟังนะเราไม่เห็นเขามาบอกเราเอาช้างอีกช่างอีกสีตัวสองตัวที่เป็นตัวเหล็กเข้าเทียมข้างหละใช่ไหมเทียมข้างสองข้างแนบตัวนี้ไปช้างตัวใหญ่นี่ก่อนไถข้นตัวตัวถูกเย็เนไถเข้ามารอยเลือนเป็นแถวไปเด้อตอนเราก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน เออพอตอนเช้ามาเขาก็บอกโอ้ยหลวงพ่อยิงช่างแล้วว่าเยิงป่าไม่เฉยๆหรอกแต่มันมีงางามก็ยิงใส่มันมันเข้ามานี่อจิตายนี่แหละก็วากันตามอรอยเลือดไปเข้าไปเข้าไปบอกโอ้ยันขึ้นเข้าไปดงไปเหลือยาวไปโ อ, ขอ้ข้อโอ้คีไปสามวันไม่ไม่ตายเห็นแต่เลือดไปแต่ก่อนเป็นดงกลัวๆเหมือนกันก็ไม่กล้าไปค่อยๆไป อะไรนีไปนี่เป็นช่างอันนี้มันก็ตายเพราะปืนไม่ใช่ตายเพราะกิเลสคนเราบันตายเพราะกิเลสอาจจะตายเพราะปืนก็ไม่เพราะนั้นการที่เป็นปืนมายิงเราต้องปราบกิเลสการปราบกิเลสไม่ใช่รัฐธรรมนูญไอ้ตำตำรวจทหารนั้นก็ปราบได้แต่ปราบจริงๆคือปราบตู้หลงเนี่ยต้นตอมาอยู่ที่นี้เราไม่มีอาวุธไม่มีกองทัพเรามาซ้อนกันอย่างเนี้ย ถูกหรือผิดอมาเป็นคนดีเหี๋ยวนี้มาละความชั่วเดี๋ยวนี้มาทําความดีเหล่านี้ทําได้ไหมมันหลงเปลี่ยนความหลงได้ไหมมันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์ได้ไหมมันโกรธเปลี่ยนความโกรธได้ไหม ม, นนดไดไห ม, มาเปลี่ยนเท่าไหรเกินมันก็หมดปัญหาแต่แล้วคนเราเนี่ยยังไม่มีวิธีใดพขาทํานี่ได้เป็นทำอาวุธปราบคนร้ายเป็นคนดีเหมือนองคริบาลผู้เจ้าปราบอุตมานไล่ จับดาบไล่ฟันพรเจ้าองคุลามาลบอกว่าหยุดยุดองค์พระเจ้าก็ปรากบว่าวิ่งพระเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอนั่นแหละยังไม่หยุดนะยังแต่บบาปไล่ฟันเราอยู่เราหยุดทาบาปทากรรมแล้วองคุลิมาลได้ยินอย่างนี้เน่เหมือนไปจันพลจากแม่เป็นเดอกโอ้โหลเด้อ โอ้โหล่ะมันชั่วขระดาษนี้่ยนาเหลือเกินที่จะได้ยินคำพูดอย่างนี้หากจะเป็นญาติะะสะหากจะเป็นสาขาญงเสียถ้าออกบวชเป็นตรงนี้หรือเปล่าเนอได้ยินข่าวว่าแต่จะรู้เป็นพระเจ้าผงเป็นตรงนี้ละมั้งเกิดมาไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยทิ้งดาบลงไปก้มลงให้เสียใจ พยัญชนะจากแมกเพราะคำ พ, พูดหมดพิษหมดสงรอยองเทมานไม่ใช่เอาปืนไปยิงองเทมานแต่ปราบขี้เล็ดในหัวใจขององเทมานกลายเป็นคนดีได้พระเจ้าปัจฉันที่โกศลจะไปปราบองเรมานก็ไปกราบพระเจ้านําทหารฐานไปล้อม ฆ่าองค์ุริมานกรถามผู้เจ้าว่าจะปราบพระองคุริมานจะเป็นยังไงองคุริมานมันจนโจรดุร้ายฆ่าคนตายจึงจะนําทหารไปปราบไปฆ่าบันนะ่ะจะเป็นยังไงผู้เจ้าก็ถามว่าองค์ุริมานเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีจะว่าอย่างไงองคุริมานถ้าเขาบวชจะว่าไงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่ า, วาถ้าบวชก็จะ เป็นศาสตร์อุบาถภพอุบาถเหมือนพระสงฆ์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ชีน้นี่คือองค์ทำงานนั่งอยู่นี้เขาบวชเป็นพระแล้วพระเจ้าประเสริฐนีโกชอก็ก้มกราบอาช จ, จันริงๆนึกว่าเจ้าปืนไปยิงโกริมานให้ตายจ้แต่พระเจ้าเอารมไปปราบก่อนก็ใหเป็นหมดพิษหดสงไปเลยนี่คือหลักชีวิตของเรา เดี๋ยวนี้ตำรวจทหารไปตั้งกองทัพยอยู่ภาคใต้แข่งฆ่ากันตายเป็นรายวันแต่พวกเราจะต้องทํางานหรือมนุษย์เราเนี่ยมาสอนกันอย่างนี้มาบอกกันอย่างนี้จะไม่ได้หรือจะต้องเสียเงินทุนประมาณซื้ออาวุธตั้งกองทัพขึ้นมามันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์คนเราแล้วมันไล่กว่าสัตว์สัตว์มันไม่ขนาดนั้นไม่มีระเบิดไม่มีอาวุธ เขาก็ท้องร้ายกาะะันทฉเพราะอาสอาวุธของเขาเข า, า่าปากเขี้ยวทอรเดงนี่คือเราต้องมีธรรมะนี่แหละมีศาสนามีคำสอนให้ไปเอาความดีของเราไปช่วยคนเด็กโอ้ยเยอยะแยะเลยทีเดียวเลยอย่าตจาจะโกนดังดังนะเนา ะ, ะดีใจดีใจที่ มีปัญญาชนมีหมอมีพยาบาลว่าเนี่ยมีหวังมีที่พึ่งมาดูมาเห็นด้วยกันกับหูกับตาอย่าให้ใครหลอกได้ไม่ใช่มาเชื่อพวกเราหลงหัวหลงตาไม่ใช่ให้คนบาศรัทธาไม่มีอะไรที่เนี่ยไม่มีอะไรเลยจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวท่านเองนะท่านชั่วท่านชั่วของท่านเด็กท่านดีก็ดีของท่านเด็ก หลงตาพระสงฆ์ที่ไม่ได้ดีอะไรกับท่านไม่ได้ชั่วกับท่านท่านชั่วเองท่านดีเองจึงเป็นหลักที่แน่นอนที่สุดไม่ต้องมาศรัทาเรามาทำรู้ศรัทธากับทำนุนมีความรู้จึกตัวกับความหลงอันไหนมันดีกว่ากันโอ๊ยศรัทธาความรู้ก็ช่างคนรู้ให้มากนะนี่คือคือหลักที่พวกเราฐานที่พวกเรา <c oughs> มั่นใจอยู่ ใจจีพบกีชาติตันจะไหวฟ้าจะหล่มเราก็อยู่ตรงนี้กันไม่ต้องเป็นไรเลยฮ ะ, ะ น, นี้ก็พื่ในฟังเนาะเราก็มีกรรมฐานมีอาจารย์แม่ไก่ช่วยเหลืออยู่ก็สมควรใจเวลากราบพระพร้อมกันเอออันหนึ่ง